ทีนี้ขอทบทวนที่ว่านะครับว่าผู้ที่ไม่คล่องแวะเป็นทั้งอุเฉชทิฐิและ ส, ะสตะัตตติฐิเนื่องจากได้วิปัสสนานะครับเนื่องจากได้วิปัสสนาไม่พิจารณาเห็นตาโดยความเป็นใครเลยตาก็เป็นตานั่นแหละไม่พิจารณาวัดหูเป็นใครเลยหูเป็นหูนั่นแหละแต่ตาหูเป็นต้นก็เกิดจากปัจจัยนะครับะนะทีนี้ถามว่าอะไรแก่ครับเคยคิดนะอะไรแก่ ก็ตานั่นแหละแกนะครับตามันชรานะหูก็หูก็โสมไปหูก็เสียไปก็บอกว่าทหารในสงครามเนี่ยนะครับเวลารบกันมันใช้ปืนพวกปืนอพีจีใช่ไหมยิงกันะ่ะเสียงมันดังมากระวังกันมันทําให้อวัยวะอื่นๆนี่หย่อนยานหมดเว้นแต่หนะูฟังเสียงดงังๆมากนะครับอวัยวะอื่นนี่หย่อนยานหมดเลยนะเหลือแต่หูเขาเรียกหูอะไรกันหูตึงนะครับ เพราะโรคกแก่ๆ แ, แล้วหูจะตึงนะครับวายว่าเออเนี่ยย่อนหมดนะครับเหลือแต่หูอย่างเดียวตึงมากนะครับจนตึงกันขนาดว่าใครพูดแล้วไม่ได้ยินนะครับลักโลกหูตึงทีนี้แก่เป็นต้นเนี่ยนะชารามรณะถามว่ามรณะอะไรอะไรตายก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจแตกดับนั่นแหละถามว่าแก่ได้แก่อะไรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดโทมนั่นแหละเรียกว่าชาราและมรณะ ทีนี้ผู้ที่ไม่คล่องแวบสัตตตถิฐิก็ไม่ได้มีความสําคัญว่าชรามรณะเป็นของเที่ยงอะไรเลยเมื่อไม่สําคัญอันนี้นี่นะครับก็ไม่เป็นศาสตาถิฐิแต่ว่าชรามรณะก็เกิดจากปัจจัยนะไม่ใช่ว่าชรามรณะนี่เกิดลอยๆถามว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะชาติเป็นเหตุแห่งชราและมรณะชาติและตันหาเป็นต้นนั่นะครับเป็นเหตุแห่งชราและมรณะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็น อุเฉะทัติทิเนื่องจากรู้จักปัจจัยนะครับว่าเออชรามรณะมีเพราะชาติมีเพรา ะ, า ต, ราะตันหามีนั่นแหละนะครับภาพผู้ที่ละชาติละตันหาได้แล้วเนี่ยชรามรณะก็ไม่มีนะครับทีนี้เอาแล้วชาติไม่มีปัจจัยเลยงั้นชาติก็เที่ยงสิไม่ใช่ชาติก็ไม่เที่ยงหรอกเพราะชาติเองก็เกิดจากปัจจัยเหมือนกันนะถามว่าเออแล้วปัจจัยของชาติได้แก่อะไร อะไแกพบงั้นพบก็แน่นอนสิพบเป็นของเที่ยงใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพบก็เกิดจากปัจจัยปัจจัยอะไรของพบคืออุปาทานเป็นปัจจัยของพบงั้นอุปาทานก็เป็นของเที่ยงใช่ไหมไม่ใช่เพราะอุปาทานก็เกิดจากปัจจัยเอาแล้ wow. แวปัจจัยอะไรของอุปาทานล่ะตันหาเป็นปัจจัยของอุปาทานเอางั้นตันหาก็เที่ยงสิไม่ใช่เพราะตันหาก็เกิดจากปัจจัยถามว่าอะไรเป็นปัจจัยของตันหาเวทนา งั้นเวทนาก็เที่ยงสิเอาเวทนาก็ไม่เที่ยงเพราะเวทนาก็เกิดจากปัจจัยเอาแล้วอะไรเป็นปัจจัยของเวทนาภาษางั้นภาษาก็เที <S <S ่ยงสิภาษาก็ไม่เที <t <t <t ่ยงเพราะว่าภาษาก็เกิดจากปัจจัยเอาแล้วอาจเป็นอะไรเป็นปัจจัยของภาษานะอายตนะคือตาหูจมูกเลนกายใจนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งภาษางั้นตาหูจมูกเลนกายใจก็เที่ยงสิบอกไม่ใช่ไม่เที่ยงหรอก เพราะว่าสลายตระหนัหรือตาหูจมูกลินกายใจเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยคือนามรูปนะครับเกิดจากปัจจัยคือนามรูปเอางั้นนามรูปก็เที่ยงสินามรูปก็ไม่เที่ยงนะเพราะนามรูปก็มีวิญญาณนะครับมีปัจจัยคือวิญญาณงั้นวิญญาณก็เที่ยงสิเพราะมันล่องลอยมาบอกไม่ใช่วิญญาณก็ไม่เที่ยงนะเพราะมันเกิดจากปัจจัยเหมือนกันเอางั้นแล้วปัจจัยอะไรอ่ะก็สังขารนั่นแหละเป็นปัจจัยของวิญญาณ เอางั้นเปิสังขารก็เที่ยงสิสังขารคืออะไรครับปุญญาพิสังขารคือกุศลอกุศลใครเคยกุศลจิตเที่ยงไหมกุศลแบบนั้นเกิดตลอดเลยก็ไม่เที่ยงใครเคยโลภตลอดเลยนะไม่มีอย่างอื่นมาแทรกเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นโลภโทสะโมหะกุศลอกุศลทั้งหลายนี่นะครับโดยเฉพาะสังขารที่ได้แก่เจตนาเนี่ยมีไม่มีเที่ยงรอกมันเป็นไปตามปัจจัยถามว่าปัจจัยของกุศลอกุศลเหล่านั้นได้แก่อะไรอวิชชา คือความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเอานะอวิชชาคือความไม่รู้นะครับไม่เพราะความไม่รู้อันอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละครับอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีนามรูปเพราะนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีภาษะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีภพนเพราะภพเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีชรามรณะเพราะชาติมีนั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกนะเพราะไม่ใช่สัตว์อะไรเลย มีใครอยู่ในอวิชาตันหาอุปาทานพบชาต์ไหมไม่มีใครเลยแต่เอาแล้วใครเป็นผู้บันดนบันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดก็ปัจจัยไงก็เป็นไปตามระบบเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธสัตว์ในที่สวยในนั้นและก็ไม่ได้มีใครไปเป็นผู้สร้างอะไรเลยเป็นไปตามปัจจัยทั้งหลายเนี่นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไปตามปัจจัยทั้งหลายเนี่ยผู้ที่รู้เห็นว่าสภาวธรรมแต่ละอย่างนั้นๆก็ไม่ได้มีอะไรเที่ยังแท้แน่นอนเลยก็ละ สัสตตตถิทิแล้วการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างก็เป็นไปตามปัจจัยนั้นๆละอุเฉททิทินะครับอันผู้ที่มีหรือผู้ที่ได้อนุโล ม, มขันติคือได้วิปัสสนาญาณอย่างที่ว่านั้นจึงไม่เป็นไม่คล้องแวะทั้งสัสตตถิฐิและอุเฉททิทิเพราะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของกันและกันอาศัยกันเลิกกันเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี สิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยคือว่าชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยเพราะมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะภาษะเป็นปัจจัยภาษะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะ วิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะนนั้ความเกิดขึ้นความเป็นไปของธรรมะทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะนี้แล้วอวิชชาเที่ยงหรือเปล่าล่ะครับอวิชชาก็เกิดด้วยปัจจัยนะครับเช่นขณะที่โลภะเกิดเนี่ยอวิชชาก็เกิดด้วยโลภะเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าโทสะเกิดอวิชชาก็เกิดแล้วโทสะเที่ยงไหมล่ะก็ไม่เที่ยง ถ้าโมหะมูลจิตอุทจักเกิดอุทจักนั้นเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงวิจิกิจชาก็ไม่เที่ยงนั้นโมหะที่เกิดร่วมกับอกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแต่ได้ปัจจัยแล้วอวิชชาจึงเกิดนะถามว่าอะไรเป็นอาหารของอวิชชาภวะตันหาหรืออาสะวะนั่นเองนะครับอาสะวะหรือภาวะตันหานั่นแหละเป็นอาหารของการเกิดขึ้นของอวิชชา เออถ้าหาว่าบอกว่าภวะตันหามีก็มีอาหารนะอะไรเป็นอาหารของภวะตันหาอวิชชาเนี่ยนะเป็นอาหารของภวะตันหาหรือว่าอวิชชานี่ยนะครับมีนิวร์เป็นอาหารนิวร์เนี่ยเป็นอาหารของอวิชชานะครับนิวร์ห้านะหรืออาสวะนี่แหละครับเป็นอาหารของอวิชชาเพราะนิวร์ก็มีอาหารนะนิวร์ก็มีอาหารถามว่าอะไรเป็นอาหารของนิวร์ทุจริตสาม ทีนี้อะไรเป็นอาหารของทุตเจดีสามอาหารของทุตเจดีสามเนื่องจากไม่มีอินทรีย์สังวรทีนี้ถามว่าอะไรเป็นอาหารของการไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีสติสัมปชัญญะเนื่องจากไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละเลยทําให้ไม่มีสังวรอ้าวแล้วอะไรเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะล่ะอโยนิโสมนสิการเห็นแล้วอะไรเป็นปัจจัยแห่งอโยนิโสมนสิการ เพราะไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์เพราะเป็นคนไม่มีศรัทธาาทำไมจึงไม่มีศรัทธาล่ะเพราะไม่ได้ฟังสัตยธรรมมาทำไมจึงไม่ได้ฟังสัตยธรรมเพราะไม่ได้คบสัตบุรุษนะครับถามว่าทำไมเขาจึงไม่คบสัตบุรุษเพราะไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรทำไมจึงไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรล่ะเพราะไม่มีปุเพกตะปุญญตาทำไมจึงไม่มีปุเพกตะปุญญตาเพราะชาตินั้นตั้งจิตไว้ผิดนะนะ สรุปอดีตชาติเป็นต้นเนี่ยตั้งจิตไว้ผิดทําไมจึงตั้งจิตไว้ผิดเพราะครบมิตรชั่วเป็นต้นในภพนั้นๆต่อไปนั่นแหละดัง <c oughs> นั้นอวิชาเหล่านี้ก็มีอาหารเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตามหรืออริยะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับได้ยินได้ฟังเรียนรู้นะครับเนื่องจากเป็นคนที่ ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแต่อยู่ในประเทศที่สมควรได้เข้าไปหาศาสตร์บุรุษเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงสดับพ่อเงี้ยโสดลงสดับแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ทรงจําธรรมะเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อฟังธรรมะเหล่านั้นได้อย่างบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็มีศรัทธาในธรรมะเหล่านั้นเมื่อมีศรัทธาก็ทําให้โยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นเมื่อมีโยนิโสมนสิการก็ ทำให้มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็มีอินทรีย์สังวรเมื่อมีอินทรีย์สังวรก็สุดจริญสามก็บริบูรณ์เมื่อสุดจริญสามบริบูรณ์สุดจริญสาบริบูรณ์สติปฐานสี่ก็บริบูรณ์ทีนี้ถ้าสติปฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงเจ็ดบริบูรณ์วิชาก็บริบูรณ์นั้นวิชาอันนี้เกิดขึ้นบริบูรณ์อย่างนี้ก็ สำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยรหัตมักนะก็ไปละอวิชชาทีนี้ถ้าอวิชชาเหล่านั้นเนี่ยถูกสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจหมดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าวิชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะดับถ้าสลายตนะดับภาษะก็ดับถ้าภาษากดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับ ตันหะก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกเหล่านี้ทั้งมวลก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกดับก็ไม่มีผู้ดับก็ไม่มีนะครับเป็นแต่ว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและผลตามปัจจัยด้วยปัญญาเป็นเครื่อง ตรัสรูแม้แต่ ว, วิชาและวิมุตต์อย่างที่กล่าวก็เกิดจากอาหารเกิดจากปัจจัยอย่างที่กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นแห่งวัตฏทุกข์นั้นอ่ะจึงเป็นไปตามระบบของปัจจัยซึ่งคําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้กล่าวว่าสัตว์มีคือสัตว์ในที่นี้ว่าสําคัญว่าเป็นสัตว์มีจริงๆแต่ประมวลสิ่งเหล่านี้รวมๆเรียกว่าสัตว์เรียกว่านายก็นายขอเรียกว่านายงเป็นต้นนะครับ ผู้ที่มีสติปัญญาเรียนรู้แบบนี้เนี่ยแทงตลอดสภาวะเป็นไปตามแบบนี้ก่อนประมวลเรียกชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แทงตลอดสภาวะรำทั้งหลายเหล่านี้โดยถูกต้องโดยไม่ขัดคลาดเคลื่อนโดยไม่ผิดพลาดสา ม, มารถทำลายกิเลสอวิชชาตันหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ยังมีวิชาเหล่านี้ที่ยังถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเออสัตว์พวกนี้นะ นี่เป็นอุดเฉถ้าทิ่ที่นะไม่ได้เห็นเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทอะไรหรอกพวกนี้เห็นว่าเที่ยงอีกพวกหนึ่งเห็นว่าศูนย์เออบางพวกนะไม่ได้เห็นว่าเที่ยงเห็นว่าศูนย์หรอกเห็นไปตามปฏิจจสมุปบาทบางพวกหูแทงตลอดถึงอริยมรรคอาญานที่ยังรู้อย่างนี้เรียกว่าอาศยานุสยะยานที่ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทีนี้ว่าอาศยานุสยะยานเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยใดจะแก้ไขโดยปัจจัยใดพระ อ, องค์ก็รู้ รู้แล้วก็แก้ไขให้เขาสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยพระธรรมเทศนานะครับด้วยเทศนาพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์สักพัสทั้งหลายนี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่คล่องเวทที่สุดทั้ง2อง อ, ง อ, งอย่างคือสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิก็จะได้วิปัสนาญาณ น, นะครับก็สามารถยังถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยของอะไรอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็สามารถในมรรคญาณ ทีนี้ว่าบุคคลผู้ไม่คล่องแวะภาวะที่ขาดศูนย์เนี่ยนะครับผู้ที่ไม่คล่องแวะอุดเชตทิฐินี้จะต้องรู้อิทับปัจจยตาคือหมายถึงรู้ปัจจัยรู้เหตุรู้ปัจจัยนะครับผู้ที่ไม่รู้ปัจจัยนี่นะครับไม่สามารถที่จะละอุดเชต ท, ทิฐิได้นะครับอย่างเช่นพวกที่สมัยใหม่เนี่ยนะเรียนร่างกายผาสรีระพาไปพามาหาความเป็นสัตว์ไม่มีเลยไปที่สุดก็เหลือแต่เซลล์หลังจากเซลล์ก็ออกมาเหลือเป็นพวก เล็กๆนะครับมาเหลืออะตอมนะครับเล็กที่สุดก็อะตอมก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับมาเล็กสุดๆเลยถึงอะตอมนะอา้าวเขหาโดยถ้าพูดถึงอะตอมนะเขาไม่ได้ต่างอะไรจากท่อนไม้ใบหญ้าทั่วๆไปเด็นะมันก็มีค่าคล้ายๆเท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นอุเฉ ท, ทิฐิเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้กรรมมะปัจจัยไม่รู้ปัจจัยทั้งหลายเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปปัจขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ รูปประคันเหล่านี้เป็นปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งนามขันนามขันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแห่งการเกิดขึ้นของรูปประคันทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นนามจึงเป็นปัจจัยแก่รูปรูปจึงเป็นปัจจัยแก่นามนามและรูปเหล่านั้นก็มีกรรมเป็นต้นเป็นเป็นปัจจัยนั้นความเป็นไปของรูปนามขันห้าเหล่านี้เนื่องด้วยปัจจัยผู้ที่ไม่เห็นปัจจัยไม่เข้าใจปัจจัยนะก็จะเป็นสายอุดเฉททิธินะครับ เมื่ออุเฉททธิทิเกิดขึ้นก็แก่ไขยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังรู้ถึงปัจจัยลักษณะนี้นะครับด้วยความเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นปัจจยุบบานที่เกิดเป็นไปตามปัจจัยนี่นะครับที่เกิดขึ้นแต่ปัจจัยนะี่นะเห็นไปเนื่องด้วยปัจจัยเห็นความสามัคคีแห่งปัจจัยสภาวะธรรมเหล่า น, น, นั้นจึงเกิดขึ้นนะครับขันเป็นต้นจึงจึงเกิดขึ้นพวกนี้ก็จะละอุเฉทัทธิได้ละอุเฉทัทฐิได้ เพราะฉะนั้นนี่เครียกว่าเห็นเหตุเกิดก็ละอุเฉททิฏฐินะครับเห็นเหตุเกิดเกิดไม่ใช่ตัวอุปาธาทิฏฐิทังค์นะในที่จะละอุเฉททิฏฐิหมายถึงเห็นเหตุเกิดคือปัจจัยทั้งหลายเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายเหล่านี้นะความรู้ความเห็นในลักษณะนี้แหละละอุเฉธทิฏฐิแต่นี้ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เรียนรู้รูปปัถานเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อย่างละเอียด ก็จะสำคัญว่าปัจจยุบบรรธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นของเที่ยงเป็นของเที่ยงเนื่อเมื่อเห็นว่าเป็นของเที่ยงก่อนที่เรียกว่าโหนี่นะถ้ารูปหยาบนี่มันตายไปรูปละเอียดมันก็จะออกไปจากกายเวทนาอันนี้ก็ตายไปเวทนาอีกอันหนึ่งนะที่มันละเอียดที่มันซ้อนอยู่ในมันก็ออกไปจากกายเนื่องจากไม่วิเคราะห์วิจัยปัจจัยทั้งหลายนะครับเมื่อ เมื่อไม่วิเคราะห์สภาวะธรรมเหล่านั้นนั้นอย่างถูกต้องนะครับก็อะไรครับสัสตตาที่เทีเลยสําคัญว่าเที่ยงไปแต่ที่จริงแล้วที่เที่ยงมีไหมตาเที่ยงไหมจมูกเที่ยงลิ้นกายที่ใจเที่ยงไหมแล้วงั้นไ อ, ไ อ, ไอตัววิญญาณที่คุณว่ามันแทรกอยู่ตรงไหนล่ะนะหมอเขาพ่าแล้วเขาเอ็กซเรย์แล้วอะไรก็แล้วไม่เห็นมันแทรกอยู่ตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรหรอกแต่ที่มันเกิดเป็นไปตามปัจจัยนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความไม่จีรังความไม่อย่างยืงยนความไม่คงทนของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็จะละความสําคัญว่าเป็นของของเที่ยงได้ละสัสตตทิฏฐิเพราะว่าเห็นชอบในปัจยจุ บ, บรรธรรมทั้งหลายนะครับหรือที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปนะธรรมนะครับเพราะเห็นว่าความเกิดขึ้นของธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยเป็นของใหม่ๆนะมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยภาษาก็อย่างนึงเวทนาก็อย่างหนึ่งนะครับแม้กระทั่ง วิญญาณนัขขันะผู้ที่วิจัยวิญญาณนัขขันดีแล้วจะรู้ว่าเออวิญญาณที่เป็นกุศลก็อย่างหนึ่งวิญญาณที่เป็นอกุศลก็อย่างหนึ่งวิญญาณที่เป็นวิบากก็อย่างหนึ่งวิญญาณที่เป็นกิริยาก็อย่างหนึ่งทีนี้ในบรรดาวิญญาณที่เป็นวิบากนะวิญญาณทางตาก็อย่างหนึ่งวิญญาณทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกก็อย่างหนึ่งทางลิ้นก็อย่างหนึ่งทางกายก็อย่างหนึ่งทางใจก็อย่างหนึ่งคนละทวารไปเลยอ้าวแล้วจะเอาตัวไหนมาเที่ยงอ่ะเพราะมันเกิดสลับหมุนนนนเเวีียยปปล่กัไตา เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นน่ะเะฉนั้ น, นผู้ที่วินิจฉัยใครครวญสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยแยบคายโดยจระสายก็ละสัสตตถิถิได้นึกถึง อ, อุปติสสะกุลบุตรที่ฟังทำจากพระอาสชินะครับที่ว่าเยธรรมาเหตุปภาวานี่นะทำทั้งหลายไอธรรมดาวดายมีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยแค่สั้นๆยาวๆไปถึงไรอะที่พระตถาคตตัดเหตุต้องทำนั้นแหละ ความดับของธรรมดาวนั้นเนี่ยนะนี่ก็สามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมบลุปเป็นวสดาวัานได้เขาเข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายอย่างเงี้ยนะเพราะเขาแทงตลอดอริยสัจ<อ>นะครับเพราะแนวคําอธิบายเหล่านี้นะครับอาศัยคําพีของภาษาริบุตรนะครับส่วนใหญ่นะคำอธิบายเนี่ยภาษาริบุตรเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาริบุตรต้องรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับบอกโอ้โหเอาสั้นๆบ้างเพื่อจะได้บรรลุก็เราได้ยินสูตรนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับ นะใครก็พูดเนี่ยเยทำมาเหตุปุปภวานเนี่ยครับผมได้ยินอาจารย์ประโมทพูดมานมนานแล้วฟังแล้วก็เท่าเดิมนะครับ <c oughs> ก็ได้ยิน น, ยนะนะได้ยินครั้งก็โสตวิญญาณกุศลวิบากก็เกิตกุศลจิตก็เกิดได้น่อยนึ่งได้ยินทีกุศลจิตก็เกิดทีนึงแต่ว่ายังไม่เพียงพอเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้แทงตลอดเห็นตลอดสายเหมือนอย่างท่านเลยนะคครรััับบนะฟงครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ต่อไปว่าสัมมาทัศนะที่เป็นไปว่าไม่ใช่ความขาดศูนย์นะไม่ใช่อุเฉทัตทิฏนะและไม่ใช่สัตสตาทิฏด้วยเห็นปฏิจจสมุปบาทและเห็นปฏิจจสมุปปณธรรมเห็นเหตุขึ้นเหตุเกิดและความเสื่อมเพราะว่าผู้ที่เห็นเหตุเกิดเนี่ยนะครับต้องละนี้ต้องการย้าเลยคือละอุเฉทัตทิฏถ้าเห็นความเสื่อมละ สัตตาทิฏฐิไอ้เหตุเกิดกับความเสื่อมเนี่ยเป็นไปสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปนะครับเนี่ยนะสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปเนี่ยนะครับเป็นอ่าเรียกว่าอัพยาปาระเป็นไปสืบเนื่องนะครับคนะสิ่งโคนะอันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไอ้ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่นะครับถามไอ้ตัวที่ว่าคืออะไรก็คือขันธ์ธาตุอายตนะมันเป็นไปอยากสืบเนื่องอย่างนี้เรียกว่าสังสารวัตรนะครับไอ้ความเป็นไปสืบเนี่ยเรียกว่าสังสารวัตไอ้สังสารวัตเนี่ย มันกันดารนะครับมันเต็มไปด้วยทุกทั้งหลายนะครับมันมีโทษนะครับมันมีโทษถามว่าโทษคืออะไรครับชาติชรามรณะมันไม่ได้มีแต่ขันธ์อริยตนะที่เรียกกันว่ามนุษย์นะยังมีขันธ์อรยตนะสืบเนื่องเรียกวันรกเปรตอสุรกายสัตว์เดระฉานก็มีนะครับที่เป็นมนุษย์ก่อนมนุษย์ก็มีหลายประเภทมนุษย์ทุกมนุษย์ยากมนุษย์ยากมนุษย์จนนะครับผาเช้าไม่พอกินเที่ยงนะครับเป็นต้นเนี่ยนะในแม้แต่เทวดาก็ยังมีเทวดาอาภัพที่บุญน้อยนะครับ เป็นอยู่เป็นยากอยู่ทุกอยู่ยา ก, อ ย, ากอยู่ลำบากนะครับเทวดาก็ยังมีตั้งหลายประเภทอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่เทวดาทั้งหลายเมื่อได้รูปประคันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นเทพก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นโลภโทสะ โ, โมหก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เทวดาทั้งหลายที่จะกลับคืนไปสู่เทวดานี่น้อยนักโดยมากก็ไปสู่อาบายทุกขติวิบาตนรกต่อจากความเป็นเทวดาทั้งนะครับ เพราะฉะนั้นจสังสารวัตเหล่านี้จึงไม่ได้มีความปลอดภัยไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความจีรังยั่งยืนอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพาศพทั้งหลายเหล่านี้ข้ามพ้นจากอุคฆกันดารข้ามพ้นจากมหากันดารชาติกันดารชรากันดารพยาที่กันดารไปต้นเนี่ยองค์ก็เลยสั่งสอนพระธรรมคําสอนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ข้ามพ้นนะครับให้ใหได้มีวิปาาัสสนาญาณได้อนุโลมขันติมีความเห็นที่สอดคล้องต่อโลกุตระธรธรม เพราะความเห็นที่สอดคล้องต่อโลกุตระธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดโสดาปฏิมักสกอาธามีมักอนาคามีมักอรหัตมักเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะพ้นจากไอ้วัตตะหรือวงจรอัปลักวงจรอุบาทเหล่านี้ทันดีนะครับเพราะพระ อ, องค์เป็นผู้ตรัสว่าอุปัตถวะโตแปลเป็นไทยๆว่าอุบาทนะครับขันเนี่ยอุบาทธาตุอุบาทอายตนะอุบาทนะครับอีติโตจังไรนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจังไรนะครับ ไหครับเอ้าก็จริงๆนะครับพระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะครับเป็นของอุบาทนะครับเป็นเหมือนทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นผู้อาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นเหยื่อของมานเป็นเครื่องล่อของมานนะครับเป็นของเป็นเหมือนกับฝีนะครับเป็นหนองเป็นของที่ไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใครไม่มีที่ต้านทาน เป็นของที่เป็นไปกับชาติชาราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกโธมนัณและอุปาญาตสังกิเลตคือตันหามานะทิถีก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันมันไม่ดดได้ดีอะไรเลยนะครับพระองค์ก็เห็นทุกขเห็นโทษแต่ถ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่คู่ควรที่จะข้ามพ้นจากกองทุกข์เพราะผู้ที่ยังยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่พ้นไปจาก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่ากับผู้ยินดีในขันห้าก็คือผู้ที่ยินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากจากทุกขเมื่อไม่พ้นจากทุกก็คู่ควรแล้วละ่ะที่จะต้องเสียน้ําตามากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรคู่ควรแล้วละ่ะที่จะกระดูกคองโตวกว่าภูเขาเหล่ากานะครับอันนี้ พราะนั้นพระผู้มีประภาคนะครับทรงรู้หมดนะครับว่าใครเป็นใครมายังไงจะต้องศึกษาปฏิบัติธรมลักษณะไหนจึงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้นะครับคู่ควรต่อความพ้นทุกข์หรือไม่คู่ควรต่อความพ้นทุกข์เนี่ยพระองค์เนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดมองเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตถาคตเนี่ยย่อมทรงทราบอนุสัยทั้งหมดเลยนะครับทั้งบุคคลสายสัมมาทิฏฐิและบุคคลสายมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับ พระตถาคตนี่ย่อมทรงทราบอาศัยะของบุคคลว่าเออคนนี้นะเสพกามเป็นคนหนักในกามวหมือนกันเถอะนะบุคคลเป็นผู้หนักในกามมีกามเบญที่อาศัยมีใจหมกมุ่นไปในกามบางคนก็หนักในกามประเภทสีบางคนก็หนักในกามประเภทเสียงบางคนก็หนักในกามประเภทกลิ่นบางคนก็หนักในกามประเภทรสบางคนก็หนักในกามประเภท โคทภะทั้งหลายเนี่ยนะครับอันผู้หนักในกามก็มีความแตกต่างกันอีกบางคนก็มีความสา ม, มารถแสวงหาการที่หยาบกามที่ละเอียดบางคนก็กามก็แบบมนุษย์มนุษย์ก็แบ่งกามเช่นบ้านช่องห้องหอก็หยาบละเอียดแตกต่างกันไปนะครับอ่าผู้ที่เสพเน่ขมมะอีกก็เหมือนกันคือผู้นี้หนักในเนคขมมะนะแม้แต่ผู้ที่หนักในเน่ขมมะเนี่ยบางคนก็ระดับทานน ะ, ะทานนี่ได้เกินกว่านั้นไม่ได้บางคนก็ระดับศีลบางคนก็ระดับ สมาธิหรือระดับวิปัสสนาทั้งหลายหรือบางคนก็ระดับมรรคผลเป็นต้นนั้นความสามารถในการได้เนคขมมะที่เป็นไปกับกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่มีความเท่ากันเพระองค์นี้ยังรู้อาสยะเหล่านั้นทั้งหมดนะครับหรือว่าบางคนนี่พวกเนี่ยนะพยาบาทเป็นคนที่โกรธนะโทสะโทสะเพราะเหตุแห่งบุตรแห่งภรรยาแห่งครอบครัวแห่งเหตุการณ์ทำมาหากิน เป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องเครียดต้องโทสะจากเหตุการณ์ใดๆพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดหมดนะครับบางคนเหล่านี้เนี่ยหนักไปในทางความไม่พยาบาทเป็นคนที่มีเมตตามีอัธยาศัยที่หวังดีอนุเคราะห์สงเคราะห์สรราสั์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพงษ์ก็ยังถึงหรือว่าบุคคล น, นี้เป็นคนที่หนักไปทางถีนะมิทะนะครับถูกทีณามิท h a เป็นต้นเนี่ยครอบงำบางพวกก็เสพโอ้ อโลกสัญญานะครับไม่ค่อยหลับค่อยนอนนั่งดูทีวีทั้งคืนทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าพวกหลับเป็นนอนนิ่งเป็นหลับขยับก็เป็นหากินอีกแล้วเนี่ยพวกนี้ก็มีเยอะแยะนะครับันั้นบางพวกก็โอ้ยอดหลับอดนอนช่วงไหนเป็นมีฟุตบอลช่วงไหนมีมวยมีกีฬาย่างได้ย่างหนึ่งก็อดหลับตะอดตาหลับขับตานอนนะครับมีงานเลี้ยงเล่นพกเล่นไพ่เนี่ยโอ้ย ไ, ได้หลับได้นอนเลยพวกนี้หนักอโลกสัญญาแต่อโลกสัญญาบางคนก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับ ออขอโอกาสครับไหนลองพูดถึงอารคสัญญาที่พุทธองค์ที่สอนให้พุให้พิสุได้นำมาใช้กันนิดหนึง่งขยายความตรงนี้นิดหนึง่งก็คือเน้นว่าให้พยายามอย่าไปขาที่มันมืดมึ ด, มดนะครับพยายามอยู่ที่โล่งๆนะเนีจะได้เมง่วงมากนะครับจะได้เมง่วงะนะ ที่ดูนะครับเข้าไปในห้องทึบเลยนะปิดห้องหมดเลยนะจิตมันน้อมไม่หาอะไรมากนะครับลองไปนั่งอยู่กลางแจ้งสว่างสว่างลง่ลงลง่งนู่นนะจิตจะน้อมไปหาอะไรเพราะนั้นอโลกสัญญาก็คือถึงความล่งความสว่างทั้งหลายน่ยนะครับก็ห้องเดียวกันเนี่ยเปิดไฟกับปิดไฟนี่ก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดไฟเป็นต้นเนี่ยคือแสงสว่างนี้ก็ทําให้ธีนะมิทะไม่ค่อยเกิดนะครับไม่ค่อยเสื่องซึมท้อแท้แต่ว่าธีนะมิทะนี้ก็ต้อง เกิดด้วยจากปัจจัยหลายประการนะครับซึ่งปัจจัยของทีน่ามิทะนี้จะได้กล่าวต่อไปครั้งข้างหน้านะครับนะมาขยายตรงนี้หมดเลยก็ไม่จบสักสู่เดียวเลยนะครับนะับที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ลักษณะของอาสยาของสัตว์ทั้งหลายทบทวนอีกครั้งว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลายนั้นอ่ะบางพวกก็เป็นสายมิจฉาทิฐิบางพวกก็สายสัมมาทิฐิสายสัมมาทิฏฐิคู่ควรกับการตรัสรู้ก็ยังแบ่งต่างชั้นต่างระดับไปอีก นะครับแล้วก็ยังมีอาสยะอาสยะประเภทหนักในกามหนักในเนคขมมะหนักในพยาบาทหนักในความไม่พยาบาทหนักในทีนะมิทะหนักในอาโลกัสัญญานะครับเขาบอกว่าวิธีที่จะช่วยแก้ทีนมิธาเนี่ยนะครับระหว่างขับรถเนี่ยนะ อย่างหนึ่งก็บอกว่าอย่าใส่แว่นดำขณะที่ง่วงนะครับให้ถอดแว่นออกนี่ก็ช่วยได้นะครับอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็พยายามเหลือบดูแสงสว่างให้มากๆนะครับคนขับรถทั้งหลายนะก็จะช่วยไม่ให้ง่วงได้นะครับมันตรงนั้นจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ